หลักคําสอนเพื่อเป็นเกณฑ์วินิจฉัยก่อนจะพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการให้ผลของการดีและกรรมชั่วในหัวข้อถัดไปก็นำข้อความจากบาลีต่อไปนี้มาอ้างเป็นหลักสำหรับความที่ได้กล่าวมาในตอนนี้ธรรมะเป็นกุศลเป็นชนหนได้แก่กุศลละมูลสาคืออโลภะอโทส ะ, อ โ, ทะอโมหะ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่ประกอบด้วยกุศลละมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่มีกุศลละมูลนั้นเป็นสมุทฐานเหล่านี้คือธรรมะเป็นกุศลธรรมะเป็นอกุศลเป็นฉไนได้แก่อกุศลละมูลสามคือโลภะโทสะโมหะ และกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอากุศลมูลนั้นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่ประกอบด้วยอากุศลลมูลนั้นกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่มีอากุศลลมูลนั้นเป็นสมุดฐานเหล่านี้คือธรรมะเป็นอากุศลในที่นี้ท่านกล่าวถึงอพยกตะธรรมต่อไปอีกแต่ไม่ยกมา รผลที่ต้องการอันตรายมีสองอย่างคืออันตรายที่เปิดเผยและอันตรายที่ซ่อนอยู่อันตรายที่เปิดเผยเป็นฉนหนได้แก่ราชสีเสือโครง่งเสือเหลืองหมีเสือดาวหมาป่าโจรโรคตาโรคหูโรคจมูกหนาวร้อนหิวกระหายอุจจาระปัสสาวะ สัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ซ่อนอยู่เป็นฉไนได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกามาฉันทานิวรพยาบาทนิวรตินมิธานิวร อ, อุตจักขุกจานิวรวิจิกิจชนิวรราคะโทสะโมหะ ความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ในวงเล็บลบล้างปิดซ่อนความดีของผู้อื่นความยกตัวกดเข้าไว้ความริษยาความตรณีมารยาความโอ้อวดความดื้อกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความมัวเมาความประมาทปวงกิเลสปวงความทุจริตปวงความกระวนกระวายปวงความร่านรน ปวงความเดือดร้อนปวงความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ซ่อนอยู่ที่ชื่อว่าอันตรายเพราะอัฏถาว่ากะไรจึงชื่อว่าอันตรายเพราะอัฏถว่าครอบงำเพราะอัฏฐว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะอัฏฐว่าเป็นที่อาศัยที่ชื่อว่าอันตราย เพราะอัฏฐะว่าครอบงำเป็นอย่างไรคืออันตรายเหล่านั้นย่อมคมย่อมกดขี่ครอบงำท่วมทับบันรอนย่อมยีบุคคลนั้นที่ชื่อว่าอันตรายเพราะอัฏฐะว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นอย่างไรคืออันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายใบยาน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 สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังมีเ็จอยู่ร่วมด้วยยังมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุขสบายส่วนนี้เป็นสำนวนแบบเล่นคำแปลาตามสับว่าอยู่มีอันเตวาสิกมีอาจารย์ ภิกษุมีสิทธิ์อยู่ร่วมด้วยมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกสบายเป็นอย่างไรกล่าวคือพอจักสุเห็นรูปพอโสตาสดับเสียงพอจมูกดองกลิ่นพอลิ้นลิ้มรสพอกายต้องสิ่งกระทบพอใจรู้ธรรมอารมณ์อกุศลธรรมชั่วร้ายความดมริร่านอันก่อกิเลสผูกรัดทั้งหลายก็เกิดขึ้นแกภิกษุ อากุศลธรรมชั่วร้ายทั้งหลายย่อมอยู่อาศัยเที่ยววิ่งซ่านไปข้างในของเธอเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอจึงถูกเรียกว่ามีลูกศิษย์อยู่ร่วมด้วยอกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้นย่อมคอยเรียกร้าเธอเพราะเหตุดังนั้นเธอจึงถูกเรียกว่ามีอาจารย์คอยสอดส่องสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมะสามประการเหล่านี้เป็นมนลทินภายในเป็นศัตรูภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นผู้จองล้างภายในสามประการนี้คืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะปยัญโลภะก่อความเสียหาย โลภะทำใจให้กําเริบคนไม่รู้เท่าทันว่ามันเป็นภัยที่เกิดขึ้นข้างในโลภเขาแล้วไม่รู้อัฏฐะโลภเขาแล้วไม่เห็นธรรมะพอความโลภเข้าครอบงำเวลานั้นมีแต่ความมืดตื้อโทสะและโมหะก็โดยในยะเดียวกันสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ดูก่อนมหาบุพิต ธ, ธ ร, รมมะสามประการเกิดขึ้นภายในตัวของคนย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความเป็นอยู่ไม่พาสุขสประการคืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะเปะ ย, ายานันโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นข้างในตนเองย่อมบันรอนคนใจบาปเหมือนขุยภยัย บันรอนต้นไผ่ฉะนั้นดูก่อนมหาบุพพิธธรรมะสามประการเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความเป็นอยู่ไม่พาสุกสามประการคืออะไรได้แ ก, โก่โลภะโทสะโมหะเปยยาน ภิกษุทั้งหลายอากุศลละมูลมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรได้แก่อกุศลลมูลคือโลภะอกุศลลมูลคือโทสะอกุศลละมูลคือโมหะแม้ตัวโลภะเองก็เป็นอกุศลคนโลภแล้วรุงแต่งกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศล คนโลภแล้วถูกความโลภครอบงำมีจิตใจถูกโลภะบ่อนเสียแล้วย่อมหาเรื่องก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นโดยฆ่าเขาบ้างจองจำบ้างทำให้สูญเสียบ้างตำหนิโทษเอาบ้างขับไล่บ้างด้วยถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีกำลังข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงพลังแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอนเนก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 ยอมหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่นแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอนเนกยอมประดังมีแก่เขาด้วยประการชนนี้เปยยานแม้ตัวโมหะเองก็เป็นอกุศลคนมีโมหะแล้วปรุงแต่งกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนมีโมหะแล้ว ยอมหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่นแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอนเนกย่อมประดังมีแก่เขาด้วยประการชนิีไปยานบุคคลเช่นนี้ผู้ถูกอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะครอบงำแล้วมีจิตถูกบอลแล้วในปัจจุบันนี้เอง ก็อยู่เป็นทุกข์มีความข้างเครียดขับแค้นเร่าร้อนเรากายแตกตายไปก็เป็นอันหวังทุกขติได้เปรียบเหมือนต้นสาละต้นตะแบกหรือต้นสรครอ้ก็ตามถูกเทาย่านทร า, ายสามเทาขึ้นกลุ่มยอดผันรอบต้นแล้วย่อมถึงความไม่เจริญย่อมถึงความพินาศย่อมถึงความเสื่อมความวอดวาย ภิกษุทั้งหลายกุศลมูลมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรได้แก่กุศลลมูลคืออโลพะกุศลลมูลคืออโทษะกุศลลมูลคืออโมหะเปรียญภิกษุทั้งหลายต้นเหตุเพื่อความก่อกำเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไร ได้แก่โลภะโทสะโมหะก ร, ะรรมใดกระทาด้วยโลภะโทสะโมหะเกิดจากโลภะโทสะโมหะมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหตุเป็นตัวก่อกำเนิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีทุกข์เป็นผลกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไปคือกรรมมสมุ ท, ทยัยไม่เป็นไปเพื่อดับกรรม คือกรรมมณิโรธภิกษุทั้งหลายต้นเหตุเพื่อความก่อกําเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรได้แก่อโลภาอโทสะอโมหะกรรมใดกระทําด้วยอโลภาอโทสะอโมหะเกิดจากอโลภาอโทสะอโมหะมีอโลภาอโทสะ อโมหะเป็นต้นเหตุเป็นตัวก่อกำเนิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีสุขเป็นผลกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกรรมคือกรรมมนิโรธไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไปคือไม่เป็นกรรมมสมุทไทยดูก่อนกาลมชนทั้งหลาย เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษ ธ, ธรรมะเหล่านี้วินยูตีเตียนธรรมะเหล่านี้ถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียดูก่อนกาลามชนทั้งหลายพวกท่านสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร โลภะโทสะโมหะเมื่อเกิดขึ้นภายในตัวของคนย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือเพื่อไม่เกื้อกูลทูลตอบว่าเพื่อไม่เกื้อกูลพระเจ้าข้าคนที่โลภแล้วเคื่อนแค้นแล้วหลงแล้วถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำมีจิตอันถูกบ่อนแล้วย่อมสังหารชีวิตบ้างถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้บ้าง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 ประกอบด้วยโทษหรือไม่มีโทษทุนตอบว่าประกอบด้วยโทษผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญทุนตอบว่าผู้รู้ติเตียนธรรมะเหล่านี้ถือปฏิบัติถึงที่แล้วเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์หรือหาไม่หรือว่าพวกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรทุนตอบว่า ถือปฏิบัติถึงที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์พวกข้าพระองค์มีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างนี้โดยในยะดังนี้แหละกาลามชนทั้งหลายข้อที่เราดิกล่าวไว้ว่ามาเถิดกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าถือโดยฟังตามกันมาละจนถึงอย่าถือโดยนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลละถึงเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงลาเสียดังนี้นั้นเราเด็กเล่าโดยอาศัยเหตุผลดังที่ว่ามานี้จากนั้นตรัสเกี่ยวกับธรรมะฝ่ายกุศลซึ่งพึงทราบโดยในยะตรงข้ามจากนี้ ต่อไปนี้เป็นคำสนทนาระหว่างพระเจ้าประเสนที่โกศลกับพระอานนท์ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับความหมายของความดีความชั่วซึ่งจะเห็นว่าท่านเอาหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นเข้าสัมพันธ์กันทั้งหมดถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นพานไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวนไม่พิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่น เราไม่ยึดถือว่าการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่า น, นั้นโดยความเป็นแก่นสารส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ครวนพินจรารณาแล้วกล่วาวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นเรายอมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารพระกุญเจ้าอานุนพูชเจริญความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาความประพฤติทางใจ ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูจะพึงกล่าวโทษได้คืออย่างไหนตอบว่าคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลคืออย่างไหนคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีโทษ ความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีโทษคืออย่างไหนคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีความบีบคั้นคำนี้มาจากบาลีว่าสัพยาปั ช, ชะเรามักแปล ก, กันว่ามีความเบียดเบียนหรือประกอบด้วยความเบียดเบียนแต่อัตถกถาทั้งหลายท่านได้ดแปล ว, ว่ามีทุกข์หรือประกอบด้วยทุกข์แทบทั้งนั้นไม่ว่าที่นี้หรือที่อื่น จะแปล ว, ว่ามีความคับข้องก็ดูดีอพพยาตชาที่ตรงข้ามก็เช่นเดียวกันความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีความบีบคั้นคือยอย่างไหนคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีทุกเป็นผลความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มี AG. ทุกเป็นผลคือยอย่างไหน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 ความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แหละที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูไม่พึงกล่าวโทษได้คนอยากได้ติดใกล้แล้วแค้นเครื่องแล้วลุ่มหลงแล้วถูกราคะโทสะโมหะครอบงำแล้วมีจิตอันถูกบ่อนแล้วยอมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ยอมคิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างยอมคิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างยอมสวยโทมนัสเป็นทุกทางจิตใจบ้างพรละราคะโทสะโมหะเสได้แล้วเขายอมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่ต้องสวยโทมนัสเป็นทุกทางใจ คนอยากได้ติดใกล้แล้วแขนเขีองแล้วลุ่มหลงแล้วย่อมประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจครัละราคาโทสะโมหะเสียได้แล้วเขาย่อมไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจคนอยากได้ติดใกล้แล้วแขนเขีองแล้วลุ่มหลงแล้วมีจิตถูกบอลแล้วย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตน แม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพรันละราคะโทสะโมหะเสียได้แล้วเขายอมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งแม้ประโยชน์ตนแม้ประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเปยยานบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจภายหลัง มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้เสวยผลกรรมที่ทำนั้นไม่ดีบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีจิตเอิบอิ่มดีใจเสวยผลกรรมที่ทำนั้นแลดีคนทำกรรมใดไว้ยอมเห็นกรรมนั้นในตนเอง กรรมชั่วก็เหมือนน้ำนวมรีดใหม่ๆย่อมไม่แปลเป็นผลในทันทีแต่กรรมชั่วย่อมตามเผาลนคนพานเหมือนไฟที่เท่าปิดไว้บุคคลใดเคยทำกรรมชั่วไว้แล้วกลับตัวได้อันมาทำดีปิดกัน้นบุคคลนั้นย่อมทำโลกให้จำใสเหมือนด่งดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอก ความดีที่ทำไว้เองเป็นมิตรติดตามตัวสืบต่อไปอานนกายทุจริตวาจีทุจริตมนโนทุจริตที่เรากล่าวว่าไม่ควรทำโดยส่วนเดียวนี้เมื่อผู้ใดกระทาก็พึงวางโทษต่อไปนี้ได้คือตนเองก็กล่าวโทษตนได้วินยูทั้งหลายใครครวนแล้วย่อมตีเตียน ปิติทัพย์อันชั่วร้ายย่อมขจจไปตายก็หลงฟั่นเฟือนเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกอานน์กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าควรทำโดยส่วนเดียวนี้เมื่อผู้ใดกระทาก็พึงหวังอนิสงส์ต่อไปนี้ได้คือตนเองก็กล่าวโทษตนไม่ได้ วินอยู่ทั้งหลายใครครวนแล้วย่อมสรรเสริญกิติศัพท์ดีงามย่อมขจรไปตายก็ไม่หลงฟัน่นเฟือนเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายจงละอากุศลเสถิดอากุศลเป็นเสียงที่อาจละได้ กอกุศลเป็นสิ่งที่ม่อาจละได้เราใส่เราคงไม่กล่าวอย่างนั้นแต่เพราะอากุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้เราจึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึ่งหากอากุศลนี้คนละได้แล้วจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เราใส่เราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสเถิด แต่เพราะอากุศลนี้คนละได้แล้วยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสถิดภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิดกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้ หากกุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจฝึกอบรมได้แล้วไซเราคงไม่กล่าวอย่างนั้นแต่เพราะกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้เราจึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึง่งหากกุศลคนฝึกอบรมแล้วจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกเลาไซเราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิด แต่เพราะกุศลนี้คนฝึกอบรมแล้วยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมเจริญกุศลเถิดภิกษุทั้งหลายธรรมะที่พึงละด้วยกายมีใช่ด้วยวาจาก็มี ธรรมะที่พึงละด้วยวาจามีใช่ด้วยกายก็มีธรรมะที่พึงละมิใช่ด้วยกายมีใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีธรรมะที่พึงละด้วยกายมีใช่ด้วยวาจาเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพูดถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกายเพื่อนพระมารีผู้เป็นวินยุใคร้ครวญแล้ว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 ธรรมะที่พึงละด้วยวาจามีใช่ด้วยกายเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจาเพื่อนพระมจารีผู้เป็นวินยูใกล้ครวญแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจาจะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุ ได้โปรดละวจีทุจริตจงบำเพ็ญวจีสุจริตเถิดเธอถูกเพื่อนปรมจารีผู้เป็นบินอยู่ใกล้ค ร, ครนแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตนี้เรียกว่าธรรมะที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายธรรมะที่พึงละม่ใช่ด้วยกายมีใช่ด้วยวาจา ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้เป็นไฉนคือโลภะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความยกตัวกดเข้าไว้ความตระนีพึงละมีใช่ด้วยกายมีใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ หมาเหตุผู้อ่านสำหรับข้อความที่เป็นการยกมาจากหลายแห่งในพระไตรปิฎกหรือในคำพี์ประกอบต่างๆในการจัดทำเป็นเสียงอานทุกเล่มจะเน้นอ่านแต่เนื้อหาหลักเพื่อความสะดวกที่มุ่งเน้นฟังเพื่อการเข้าใจในเบื้องต้นหรือไว้ฟังทบทวนสำหรับท่านที่สนใจที่มาโดยละเอียดสามารถดูไดจากหมายเหตุในหนังสือซึ่งจะได้ข้อมูลครบถ้วนกว่านะครับ